ออกไปจากร่างกายแล้วขนานนะ่ะบุญกุศลก็จะเข้ามาพานำของเราไปสู่สุคติตามกติพบของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้ถ้าหาใครทำบุญมากจะไปที่ไหนก็ได้ทั้งหมดถ้าหากคาทาบุญน้อยก็ไปเกิดในภพภูมิที่ใกลเพราะนั้นพวกเราอ่าประมาทนะคำว่าประมาทคำนี้นะ่ะไม่ใช่คือไม่ตั้งใจไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนอยู่แบบไม่คิดอยู่แบบลอย